อุปาณาหะสนิมในใจหมายเลขสี่อุปาณาหะเป็นพี่น้องกันกันกบโกทะและพยาบาทที่ว่ามาแล้วเกิดในตระกูลเดียวกันจะต่างกันบ้างก็แค่ฝีไม้ลายมือเท่านั้นเมื่อได้อธิบายโกทะกับพยาบาทเป็นที่เข้าใจแล้วธุระของอุปาณาหะ ก, ก็เหลือน้อยเพียงแต่ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างกิเลสทั้งสามนี้ ใครเป็นใครและพูดถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นสุดท้ายก็เสนอแนวิธีปฏบิบัติบ้างเล็กน้อยก็คงเป็นการเพียงพอกิเลสข้ออุปาณาหานี้มีที่กล่าวถึงน้อยไม่ค่อยปรากฏในหมวดกิเลสต่างๆเห็นจะเป็นที่ว่าอุปาณาห์เป็นกิเลสประเภทอยู่หลังฉากไม่ยอมออกโรงเองถ้าเป็นคนในคณะก็คงจะเป็นคนนอกเรื่อง ไม่ได้เป็นตัวแสดงกับเขาแล้วคอยหนุนอยู่หลังโรงอุปาณาหะแปลว่าความผูกโกรธพอแปลออกเท่านี้ความก็ซัดทอดไปหากิเลสอีกตัวหนึ่งคือตัวโกรธหมายความว่าความโกรธเป็นอันหนึ่งต่างหากอุปาณาหานี้เป็นอันหนึ่งแต่ว่าเกี่ยวกันได้เสียด้วยกันแล้วก็คงคล้ายคล้ายกัน ทางที่ดีเราควรจะเบิกตัวพักพวกของเขาเข้าแถวดูอีกครั้งแล้วจะชี้ให้ดูว่าหน้าไหนที่ชื่อว่าโกทะคือความขุ่นข้องเดือดดานโทสะคือความคิดทำลายเขาพยาบาทคือทำลายยังไม่ได้จึงผูกอาคาดไว้กิเลสทั้งสามนี้เขาทำงานต่อเนื่องกันส่งมอบธุระกันต่อๆไป พอใจโกรธแล้วโทสะก็คิดทำลายโทสะทำลายไม่ได้พยาบาทรับช่วงไปดูตามสายนี้จะไม่เห็นว่าอุปาณาหามีหน้าที่ทำอะไรแล้วความจริงก็ไม่มีหน้าที่อะไรจริงจังเป็นแต่เพียงว่าใจที่ความโกรธเกิดขึ้นแล้วแทนที่จะส่งงานให้โทสะ พ, พยาบาทจัดการไปตามระเบียบก็ไม่ส่งต่อไป จะเลิกโกรธเสียก็ไม่เลิกจะทำลายเขาก็ไม่คิดทำลายอุบนิ่งอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าอุปานาหะพูดอีกทีอุปานาหะเป็นแขนงหนึ่งของความโกรธเท่านั้นที่ไม่ได้จัดเข้าลำดับความกำเริบของกิเลสไว้ให้แต่เดิมเพราะมันเป็นเพียงแขนงของโกทะคนโกรธแล้วไม่แน่นักว่าจะผูกโกรธไปทุกคนบางคนก็ชอบผูก บางคนก็ไม่ชอบผูกโปรดสังเกตลำดับความกำเริบของกิเลสตระกูลโทสะอีกครั้งจะชี้ให้ดูว่าอุปาณาหะที่เรากำลังพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนลำดับความกำเริบจากล่างขึ้นข้างบนอรติไปปฏิฆะปฏิฆะไปโกทะโกทัคไปโทสะ โทสะไปพยาบาทที่โกทะมีแยกไปทางขวาอีกสายหนึ่งคืออุปานาหะท่านเห็นแล้วใช่ไหมว่าอุปานาหะอยู่ตรงจุดไหนอุปานาหะไม่ใช่กิเลสในสายแต่เป็นงานอดิเรกของคนที่โกรธแล้วคิดทำขึ้นต่างหากนี่พูดปนโลกปนธรรมถ้าว่าเป็นธรรมล้วนๆก็ต้องพูดว่า อุปาณาห์เป็นแขนงหนึ่งของโกตะหมายความว่าคนที่โกรธแล้วไม่แน่นักว่าจะผูกโกรธทุกคนใครอยากผูกก็ผูกใครไม่อยากผูกเขาก็ไม่ผูกกินได้นอนหลับสบายมาถึงตรงนี้เกิดมีปัญหาสําหรับคนที่ช่างคิดคือมีปัญหาว่าก็เมื่ออุปาณาห์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโกตะและเป็นเพียงส่วนที่ไม่สู้จําเป็นนัก อย่างที่ว่าโกรธแล้วจะผูกโกรธด้วยหรือไม่ก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้อุปาาหะก็ไม่น่าจะมีความสำคัญจนถึงกับจะยกขึ้นเป็นกิเลสข้อหนึ่งเราเรียนเพียงโกทะอย่างเดียวพอแล้วไม่ใช่หรืออีกอย่างหนึ่งความผูกโกรธก็หมายความว่ายังโกรธอยู่เมื่อมันยังโกรธอยู่มันก็คงเป็นความโกรธนั่นเองไม่ใช่หรือเราจะเรียกว่าโกทะ เสียเลยจะไม่สะดวกกว่าหรือถูกแล้วอุปาณาหาเป็นแขนงหนึ่งของโกทะจะว่าโกทะเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นก็ได้แต่ว่าเมื่อตั้งขึ้นแล้วมันเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นเรื่องเป็นราวมีความสำคัญพอตัวและจะนับรวมเข้าเป็นอันเดียวกับโกทะไม่ได้ข้าพเจ้าเองยังนึกไม่ออกว่าจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าอย่างไรในวงชาวบ้าน ยังนึกหาที่เทียบไม่ออกไปนึกได้แต่เรื่องทางวัดเรื่องของพระท่านเลื่อนขึ้นไปตามลำดับเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญแล้วเลื่อนเป็นชั้นราษชั้นเทพชั้นธรรมชั้นพรหมแต่มีสมณศักดิ์นอกลำดับอยู่อีกคือพระฐานานุกรมเช่นพระใบดีกาพระสมุพระปรลัดพระฐานานุกรมนี้ พระที่ได้สมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณตั้งได้คือถ้าองค์ใดได้เป็นเจ้าคุณแล้วก็มีอำนาจตั้งพระฐานาได้พระใบดีกาพระสมุที่ตั้งขึ้นนั้นเรียกว่าพระฐานาคือเป็นฐานที่รองรับขององค์ที่เป็นเจ้าคุณนั่นเองถ้าไม่ตั้งเสียก็แล้วไปแต่ถ้าตั้งแล้วผู้ได้รับตั้งก็มีอำนาจมากกว่าเดิมเรียกว่าไม่ใช่พระธรรมดาเสร็จแล้ว ญาติโยมก็รู้จักมากขึ้นพระเล็กเนนน้อยก็กลัวเกรงมากขึ้นบางทีท่านใบดีกากลับมีคนขึ้นมากกว่าท่านเจ้าคุณที่แต่งตั้งให้เสียด้วยซ้ำใครจะยืมพรมก็คิดถึงท่านใบดีกาใครจะยืมกระโถนก็นึกถึงท่านใบดีกาปะเหมาะท่านใบดีกากับท่านเจ้าคุณขัดกันขึ้นก็มีท่านเจ้าคุณก็หนักใจ จะไม่ให้เขาเป็นท่านใบดีกาก็ใช่ที่เพราะได้ตั้งไว้แล้วล้มไม่ได้โกธะกับอุปนาหะก็ทานองเดียวกันนี่แหละโกธาอยากจะใหญ่โตมากๆจึงสถาปนาฐานานุกรมขึ้นไว้คืออุปนาหะเมื่อแต่งตั้งไว้แล้วอุปนาหะก็ตีปีกออกไปต่างหากจะถือว่าเป็นอันเดียวกันกับโกธะไม่ได้ เหมือนท่านเจ้าคุณกับท่านใบดีกานั่นแหละต้องนับว่าเป็นคนละองค์จริงไหมท่านแล้วที่ว่าอุป a า, าหะไม่สู้สำคัญนั้นก็ไม่แน่มันยังไม่เกิดก็ไม่สำคัญแต่เมื่อไปแต่งตั้งไว้แล้วความสำคัญก็เกิดขึ้นบางทีความโกรธดับไปตั้งปีแล้วอุป a า, าหะก็ยังครองใจเราอยู่ นึกถึงข้อเปรียบเทียบที่ว่ามาแล้วนั้นก็แล้วกันพระอันดับนั่นแหละแต่เมื่อท่านเจ้าคุณตั้งให้เป็นฐานาแล้วนานๆเขาพลาดท่าท่านเจ้าคุณจะทำอะไรก็เกรงใจใบดีกาถึงจะเดินทางไปปรึกษางานถึงกุติท่านก็บ่อยแล้วนานเข้าถึงท่านเจ้าคุณมรณะภาพแล้วท่านใบดีกายังว่าการอยู่ต่อไปอีกก็ได้ ข้าพเจ้าต้องกราบขออภัยพระคุณเจ้าที่ขอเขียนตอนนี้จำเป็นต้องเข้าไปป้วนเปี้ยนใกล้กุฏิท่านเจ้า ค, คุณและกุฏิท่านใบดีกามากไปหน่อยไม่ได้ประสงค์จะล่วงเกินเลยแต่นึกหาทางอื่นที่จะเปรียบเทียบให้คนชาวบ้านเข้าใจไม่ได้กรุณาคิดเสียว่าเป็นธรรมทานแก่ญาติโยมก็แล้วกันแล้วอีกอย่างวัตถุประมาสูตร อันเป็นที่มาของอุปกิเลนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงในวัดจึงขอต้อนเข้าวัดเสียบ้างประเดี๋ยวจะวกกลับเข้าบ้านอุปาณาหะคือความผูกโกรธถ้าพูดถึงอาการของจิตจิตที่มีอุปาณาหะกับจิตที่มีโกธะต่างกันแน่จริงอยู่อุปาณาหะเป็นอาการที่งอกออกมาจากโกธะ แต่เมื่อเป็นอุปาณาหะแล้วก็ต่างกันท่านจึงได้แยกชื่อไว้ต่างหากถ้าเหมือนกันก็ไม่ต้องแยกให้ลำบากที่ต่างกันนั้นต่างกันอย่างนี้โกทะคือความเดือดดานแห่งจิตคือเวลากโกรธใจมีอาการเดือดพลานวุ่นวายเดือดจนล้นนั่นแหละตามปกติในสายงานของเขาเมื่อเดือดแล้วต้องคิดหาทางทำลาย กลายเป็นโทสะหรือถ้าผูกใจไว้ว่าจะหาช่องทําลายต่อไปก็กลายเป็นผูกพยาบาทแต่อุปะนาหานี้ไม่คิดทําลายและไม่ผูกใจที่จะทําลายเป็นแต่ว่าจำการกระทาของคนอื่นที่เขาทำให้โกรธนั้นไม่ยอมลืมไม่ยอมปล่อยจำเอาไว้เท่านั้นจิตที่มาถึงขั้นอุปะนาหานี้แล้วไม่มีอาการเดือดพล่าน ขอให้นึกถึงคนที่โกรธกันหรือเอากันง่ายๆือนึกถึงตัวเราเองก็ได้เวลาโกรธใครแล้วมันลืมไม่ลงแต่ก็ไม่คิดจะด่าเขาไม่ได้คิดจะปองร้ายเขาเพียงแต่มันเกลียดขี้หน้าไม่อยากพูดด้วยไม่อยากมองหน้าแยกทางกันเดินข้าก็อยู่บ้านข้าแกก็อยู่บ้านแกอาการอย่างนี้ชาวบ้านเราเรียกว่าคนโกรธกัน แต่ถ้าพูดตามหลักอุปกรลสนี้ต้องเรียกว่าคนผูกโกรธกันโดยปกติแล้วคนที่อยู่ในลักษณะนี้ไม่ได้คิดทำลายกันแต่ไม่อยากคืนดีกันไม่อยากเห็นหน้ากันเสียสายตาเปล่าๆไม่อยากพูดด้วยเปลืองลมปากถึงคนนั้นพูดก็ไม่อยากฟังเหม็นขี้ฟันเราจะเห็นได้ว่า มีคนประเภทหนึ่งเวลาโกรธกันแล้วไม่พูดกันถ้าบังเอิญต้องเดินสวนกันเพอะเหลือเห็นกันเท่านั้นแต่ละฝ่ายก็ตีหน้าตึงๆก้มศีรษะนิดๆพอเส้นคอด้านท้ายทอยตึงๆสายตากระได้ไม่เกิดปะทะใบหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งเข้าถ้าหากหน้าที่บังคับจะต้องพูดกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นอย่างที่ทหาร ที่ต้องรายงานเหตุการณ์หรือส่งมอบหน้าที่ด้วยการใช้วาจาผู้ส่งมอบให้แก่ผู้มารับก็พูดอย่างชนิดไม่มีส้อยคำไม่มีหางเสียงเรียกว่าประโยคประธานของคำพูดตึงตัวเปี้ยเลยเพราะอะไรอะไรมันตึงไปหมดอย่างนี้แหละชาวบ้านจึงได้พูดถึงอาการอย่างนี้ว่าตึงแม่คนนั้นกับแม่คนนี้เขาตึงกัน ผวเมียคู่นั้นนะ่ะเขาตึงกันมานานแล้วคนผู้โกรธนั่นเองที่แสดงอาการตึงกันอย่างที่ว่านี้ในการจัดผลัดเวรยามเช่นอย่างทางทหารจัดผู้บังคับกองรักษาการถ้าบังเอิญเอาคนตึงกันไปตอบผลัดกันเข้าแทนที่จะเป็นเวรยามก็จะกลายเป็นเวรกรรมน่าดูนักว่ากันว่าตอนที่เปลี่ยนกองรักษาการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องนำทหารมาตั้งแถวประจันหน้ากันแล้วตัวผอบอทั้งสองฝ่ายซึ่งต่างก็ตึงด้วยกันทั้งคู่ต้องยืนอยู่หน้าแถวหันหน้าเข้าหากันตอนนี้แหละหน้าดูนักจะบอกแถวจะมอบหน้าที่คำพูดแต่ละประโยคประโยคล้วนแต่ตึงเปี้ยเล่นเอาลูกแถวซึ่งรู้เรื่องอยู่ก่อนแล้ว อมยิ้มไปตามๆกันที่เรามาทั้งหมดนี้อยากจะชี้ให้เห็นจุดสังเกตที่ว่าอุปา้าหะน่ะคืออะไรคือตึงนี่แหละเด็กๆเวลาจะตึงกันเขาบอกให้อีกฝ่ายรู้ตัวก่อนนับว่ามีวัฒนธรรมดีเหมือนกันเช่นอย่างกำลังจะเล่นอะไรเพลินแล้วเกิดขัดใจอะไรกันขึ้นอีกฝ่ายจะบอกว่าโกรธ ทำเสียงกระแทกนิดๆพร้อมกันนั้นก็ยื่นมือข้างหนึ่งออกไปหาคนนั้นกำนิ้วอื่นเข้าเสียเหลือไว้แต่นิ้วโป้งพยายามทำนิ้วโป้งให้ตึงมากๆเ ม, ม้มปากตามไปด้วยริมฝีปากจะได้ตึงๆเสร็จแล้วทั้งสองฝ่ายก็ตึงกันไปเป็นอุปะนาหะของเด็กแต่อุปะนาหะของผู้ใหญ่เสียร้ายไม่ค่อยจะมีวัฒนธรรมนัก คือตึงกันไม่บอกให้รู้ตัวคิดไปคิดมาไม่พอใจก็ตึงกันขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ไม่พูดกันส่วนมากคนบางเกอกมักจะตึงกันแบบนี้คือตึงแล้วไม่พูดกันแต่คนบ้านนอกสังเกตดูยิ่งตึงยิ่งพูดมากเว้นแต่บางคนที่มาถ่ายทอดวิธีการตึงไปจากบางกอกตึงแล้วก็ไม่พูดถึงกันเหมือนกัน ชักจะอ้อมไปใหญ่แล้วจะพูดนิดเดียวว่าลักษณะของอุปานหาหะคืออย่างไรเท่านั้นเองเลยเติริดไปถึงตึงเด็กตึงผู้ใหญ่ตึงบ้านนอกตึงบางเกอะเห็นจะพอแล้วอุปาณาหะนี่แหละทำให้ตึงพูดถึงข้อเสียของอุปาณาหะเสียทีตอนโทษของอุปนณาหะ เท่าที่พูดมาแล้วดูเป็นตีว่าอุปาณาหะ ก, ก็ไม่ทำให้อะไรเสียหายกี่มากน้อยเพราะว่าความเดือดดานใจที่เรียกว่าโกทะก็ไม่มีแล้วโทสะที่คิดจะทาลายใครอีกก็ไม่มีเมื่อนนก็เปล่านี่ก็เปล่าไม่น่าจะมีอะไรเสียแต่ความจริงแล้วมีเสียแน่ถ้ามันไม่ทำให้เสียเลยก็ไม่ใช่อุปกิเลต ก่อนอื่นอยากจะพูดถึงด้านการทำงานก่อนเพราะเริ่มเข้าด้านนี้มาแล้วท่านที่เป็นข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในหน่วยอำนวยการคงจะนึกถึงทางเดินของเรื่องต่างๆได้คือรายงานเรื่องราวแต่ละเรื่องนั้นต้องเสนอผ่านขึ้นไปตามลำดับชั้นหัวหน้าแผนกแทงเสนอหัวหน้ากองหัวหน้ากองแทงเสนออธิบดี อธิบดีแทงเสนอประหลัดกระทรวงประหลัดกระทรวงแทงเสนอรัฐมนตรีพอท่านรัฐมนตรีแทงอนุมัติแล้วเรื่องก็ล่องลงผ่านประหลัดผ่านอธิบดีผ่านหัวหน้ากองผ่านหัวหน้าแผนกแล้วก็คืนไปให้คนต้นเรื่องรับทราบหรือปฏิบตัติต่อไปนี่เรื่องธรรมดาสามัญเป็นอย่างนี้แต่มีบางเรื่องพอเสนอขึ้นไป ท่านเกิดชักออกจากแฟ้มเสนอแล้วเอาเข้าลิ้นชักไว้ส่วนเรื่องอื่นๆท่านก็ปล่อยให้ล่องลงมาตามทางของเรื่องจนในที่ฉันรองรองก็พากันแปลกใจว่าเรื่องขาดหายไปไหนยุ่งละสิใครผิดกันแน่คนเดินหนังสือหรือคนเสนอทำหายเสร็จแล้วก็ตามสอบย้อนขึ้นไปขึ้นไปจนถึงเลขาของรัฐมนตรี ทะเลขาก็บอกว่าท่านชักไว้หมายความว่าเสนอท่านรัฐมนตรีแล้วแต่พนะท่านชักไว้ไม่เซ็นออกมาว่าอย่างไรจะอนุมัติก็ไม่ว่าจะไม่อนุมัติก็ไม่ว่าขอถามว่าเรื่องที่ท่านชักไว้อย่างนี้ทําให้เกิดความเสียหายได้ไหมเสียได้ทำไมจะเสียไม่ได้จริงอยู่ ท่านไม่ได้สั่งให้ลงโทษลงทันใครแต่ก็ทำให้คนต้นเรื่องเขาคอยงานบางอย่างหน่วยต้นเรื่องเขาคอยอนุมัติเพื่อดาเนินการในระยะนั้นระยะนี้เขากล่าวของเขาแล้วคิดเกือบหัวสมองร้าวกว่าจะเขียนรายงานขึ้นไปแต่พอโดนท่านชักไว้งานก็เสียจังหวะไปหมดคนที่จะได้รับประโยชน์จากงานนั้นก็พลอยเสียประโยชน์ไปด้วย ทั้งทั้งที่ท่านก็ไม่ได้สั่งลงโทษเลยเพียงแต่ท่านชักไว้เท่านั้นถ้างานสำคัญที่ต้องทำให้เสร็จทันเวลาไม่ทันมีผิดเช่นการจ่ายเงินงบประมาณให้ทันสิ้นปีเป็นต้นบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ช, ชอบพอได้ทราบว่าท่านชักเรื่องเอาไว้ก็จะรู้สึกร้อนตัวร้อนใจไปตามๆกัน ให้มีอันอยากจะหาหมอดูตรวจดวงชะตาตัวเองเป็นกาลังจะได้แน่ใจว่าบําเหน็จปลายปีจะมีอันเป็นอย่างไรบ้างที่พูดนี้เพียงแต่อาศัยเรื่องนําทางในวงเล็บความจริงท่านชักไว้ทำให้เกิดผลดีก็มีวงเล็บปิดอยากจะให้เห็นว่าเรื่องงานการธรรมดาแท้ๆเพียงแต่ท่านชักไว้เท่านั้น ไม่ได้สั่งลงโทษทันใครเลยก็ยังทำให้เรื่องเสียและคนเสียได้การที่ใจเราผูกเอาความโกรธไว้จะไม่เสียหายได้อย่างไรเพราะความโกรธมันเป็นของมีโทษอยู่ในตัวแล้วเราพยายามกักมันไว้ในตัวไม่ยอมรักษาให้มันหายมันจะทำประโยชน์อะไรให้เราคงจะมีแต่ทำให้สุขภาพของเราเสื่อมโทรมลงเท่านั้น ถึงไม่เสื่อมมากก็เสื่อมน้อยว่าเฉพาะประเด็นสําคัญที่ว่าอุปาณาหะเป็นกิเลสหรือพูดอย่างไทยๆที่ว่าผู้โกรธทําให้ภายในของเราเองสกปรกมัวหมองนั้นสกปรกที่ไหนแล้วสกปรกอย่างไรการผู้โกรธทําให้สกปรกเสียหายทุกๆจุดที่ความโกรธทําให้เสียหายซึ่งอธิบายมาในตอนโกทานั้นแล้ว ต่างแต่ว่าอุปาณาหานี้ยืดเยอะกว่าและขอแนะให้สังเกตเพิ่มเติมอีกบ้างคือ 1. ทางด้านความสงบของจิตใจการผูกโกรธทำให้ใจขุ่น ม, มัวการศึกษาเล่าเรียนตลอดจนการใช้ความคิดสติปัญญาไม่ปลอดโปร่งเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดทั้งนี้เพราะความโกรธที่ผูกไว้นั้น ได้คอยก่อกวนความสงบของจิตยอยู่เสมอถ้าจะเปรียบว่าตัวเราเป็นอาณาจักรอันหนึ่งมีใจเป็นผู้ครอบครองการที่เราผูกโกรธคนนั้นคนนี้ก็เท่ากับเรายินยอมให้ผู้แทนของศัตรูเข้ามาตั้งสำนักอยู่ในอาณาจักรของเราแน่นเองซึ่งเป็นที่แน่เหลือเกินว่าผู้แทนของศัตรูนั้นจะต้องก่อกวนความสงบสุขในบ้านเมืองของเราเสมอ คนที่มีการผูกโกรธกับคนอื่นนั้นความจริงจะว่าเบื่อหน่ายไม่อยากพบอยากเห็นคนที่ตัวโกรธจริงๆก็ไม่เชิงใจหนึ่งเกลียดใจหนึ่งก็อยากรู้เหมือนกันว่าเวลานี้ยายคนนั้นพ่อคนนั้นไปอยู่ที่ไหนฐานะฐานเนแค่ไหนมันได้ใครเป็นผัวได้ใครเป็นเมียอยากรู้สักหน่อยสิ ความคิดที่สอดสายออกไปหาคนที่ตัวโกรธเช่นนี้ย่อมมีอยู่ในใจของคนที่ผู้โกรธและความคิดอย่างนี้แหละที่จะคอยกวนใจให้ขุ่นมัวไม่รู้จักเสร็จสิน้นนี่แหละใจเศร้าหมองด้วยอุปกิเลส 2. ด้านกำลังใจการผูกโกรธทำให้กำลังใจเสื่อมโทรมอย่างแน่นอนสังเกตดูง่ายๆอย่างนี้ เวลาเราเดินสวนทางกับคนที่เราผูกโกรธอยู่นั้นถ้ายิ่งทางแคบและสวนทางกันตัวต่อตัวยิ่งจะเห็นได้ชัดคือจะรู้สึกว่าใจอึดอัดลำบากฝืนใจไม่เหมือนกับเราเดินสวนทางกับคนอื่นๆที่ไม่ได้โกรธกันนั่นเองเพราะกําลังใจของเราตกต่ามากมีความอ่อนเปียกลงไปทุกทีโปรดทราบเถอะว่าการผูกโกรธก็ดี การผูกพยาบาทก็ดียิ่งผูกไว้นานยิ่งแย่มันทำให้เราเองสูญเสียกำลังโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานวันเข้าแววแห่งความองอาจกล้าหาญที่เคยฉายออกมาทางสีหน้าและแววตาของเขาก็จะค่อยๆหายไปแววแห่งความขาดยิ่งมากขึ้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรจะทำอะไรชั้นที่สุดแม้แต่เห็นคนอื่นบ้วนน้าลาย ก็รับเอามาเป็นเรื่องแผดเผาใจของตนให้เดือดร้อนจนได้เป็นความจริงที่ว่าของเถื่อนหนึ่งโรคร้ายหนึ่งความมุ่งร้ายหนึ่งสามอย่างนี้มีอยู่ในผู้ใดจะทำให้ผู้นั้นขลาดและเป็นเจ้าทุกข์ 3. ด้านชีวิตคือความเป็นอยู่การผูกโกรธ คอยบั่นทอนความสุขในชีวิตลงตลอดเวลาข้าพเจ้าเขียนไว้แล้วในหนังสือเรือนชั้นในคือตอนอธิบายจากคะในที่นั้นข้าพเจ้าใช้คําว่าการเก็บสั่งสมอารมณ์เน่าไว้ในใจเป็นความผิดพลาดที่คนกระทําลงด้วยความโง่เ ง, ง่าแท้ข้าพเจ้าไม่อยากเขียนซ้ําอีกเพราะข้อความที่เขียนไว้นั้นจูใจของข้าพเจ้าอย่างยิ่ง ชาตินี้จะเขียนอธิบายโทษของการเก็บอารมณ์เน่าให้ดีกว่าที่เขียนไว้ในเรือนชั้นในนั้นเห็นจะทำไม่ได้แน่เพราะได้ควักเอาความในใจของข้าพเจ้าไปเขียนไว้ตรงนั้นหมดแล้วและหนังสือเรื่องเรือนชั้นในนั้นเป็นหนังสือที่แพร่หลายมากพิมพ์กันจนไม่นับครั้งแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะนับเล่มทาให้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านผู้อ่านพุทธศาสตร์ คงได้อ่านมาแล้วทุกคนจึงขอผ่านไปเลยทีเดียวสี่ทางด้านงานด้านสังคมและมารยาทก็ไม่มีปัญหาใดๆลงได้เป็นคนนิสัยผูกโกรธคนอื่นประเดี๋ยวตึงกับลูกชายประเดี๋ยวตึงกับลูกสะภ้ยประเดี๋ยวตึงกับลูกเขยประเดี๋ยวตึงกับลูกสาวประเดี๋ยวโกรธคนนี้ประเดี๋ยวดีคนนั้น เสร็จแม้เป็นผู้ใหญ่เด็กเล็กก็ดูถูกผู้ใหญ่อะไรไม่ทำตัวเป็นผู้ใหญ่ง่อนแง่นโงนเงินยิ่งถ้าเป็นผู้น้อยด้วยแล้วไม่มีใครเขาอยากเล่นด้วยหมดสง่าราศีเอาทีเดียวให้เป็นแผลเป็นตามตัวสักสิบแห่งยังน่าเกลียดน้อยกว่าคนชอบผูกโกรธอย่างว่านี้